ก็ไม่แปลกที่จะฟุ้งซ่านจัดตามลูกค้าเพราะตามหลักกรรมวิบากนั้นให้สิ่งใดกับใครก็ยอมได้สิ่งนั้นเข้าตัวผู้ให้เหตุแห่งความฟุ้งซ่านยอมได้รับเหตุแห่งความฟุ้งซ่านผู้ให้เหตุแห่งความเป็นบ้ายอมได้รับเหตุแห่งความเป็นบ้าแต่สำหรับคุณไม่ใช่ต้นคิดขายเล่าฉะนั้นตัวความฟุ้งซ่านน่าจะมาจากเหตุอื่นมากกว่า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 การประทันของเธอในคิดในใจอาจคอยสมลไร้ไร้อาึกลับตันงการสขงกันทอไรทดีหรือ